คนไทยสมัยนี้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักหรือนับถือศยลศาสตร์เป็นหลักเรื่องที่พูดในตอนนี้เป็นการให้ช่วยกันพิจารณาตอบคำถามว่าเวลานี้คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักหรือนับถือศยลศาสตร์เป็นหลักซึ่งรวมทั้งคำถามว่าสมัยก่อนก็มีของขลัขงสมัยนี้ก็มีของขลัขงต่างกันอย่างไร ได้พูดมายืดยาวเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญจึงขอสรุปไว้ด้วยถ้าคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักศสยศาสตร์เป็นเพียงสิ่งพ่วงแฝงมาสังคมจะมีพฤติการดังนี้ 1. ความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนาและการสอนธรรมะจะปรากฏเด่นเป็นพื้นส่วนของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไส ย, ยะจะมีเพียงพ่วงแฝงหรือแอบอยู่ และใช้เพียงเป็นเครื่องปิดช่องความวันใจทํานองคติอริทไว้ปราบริทสอการให้หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับของขลังเป็นต้นนั้นจะเน้นที่การกํากับข้อปฏิบัติทางศิลธรรมหรือใช้เป็นสื่อสู่การสอนธรรมะ 3. ของขลังเป็นต้นนั้นเป็นของให้เปล่าไม่มีราคา เราเป็นสื่อคุณค่าทางนามธรรม 4. เป็นของให้ยากและหายากไม่เกลื่อนกลาดและผนวกอยู่กับคุณค่าทางจิตใจเช่นโยงไปถึงบรรพบุรุษบุรพากาลีถ้าพฤติการเป็นไปในทางตรงข้ามจากนี้ก็แสดงว่าคนไทยนับถือศยาศาสตร์เป็นหลักพุทธศาสนาเป็นเพียงสิ่งประกอบเลือนลางอยู่ คือ 1. นการเชื่อถือปฏิบัติทางสยศาสตร์และการหวังพึ่งอำนาจลี้ลับปรากฏเด่นเป็นพื้นในสังคมชาวพุทธไม่รู้หลักการของพระพุทธศาสนาการสอนธรรมะยังแอบแอบอยู่ 2. ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของการสนองกิเลสในการหาผลประโยชน์ความกลัวภัยและการแก่งแย่งดิ้นรนต่อสู้กันของมนุษย์ปุถุชน ไม่เป็นสื่อดึงคนขึ้นสู่คุณธรรมความดีงามและการพัฒนาชีวิตของตนไม่มีการกำกับศีลธรรม 3. เป็นของมีราคาหรือมุ่งที่เงินทองของตอบแทนแม้กระทั่งเป็นการซื้อขาย 4. เป็นของหาง่ายมีเกลื่อนกลาดจนอาจกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงิน โดยคุณค่าทางจิตใจอีกเรื่องหนึ่งการที่ต้องยอมรับความจริงว่าความเชื่อถือเกี่ยวกับอำนาจลี้ลับระหว่างพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพส ย, ยะเหล่านี้จะมีอยู่ต่อไปเพียงแต่ให้เป็นสิ่งแอบแฝงอยู่หรือเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดโดยให้พระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่ก็ควรพอใจข้อนี้มีเหตุผลสำคัญคือหนึ่ง เป็นนิสัยของปุถุชนเมื่อมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมและความเป็นไปที่ตนเองไม่รู้ทั่วถึงและบังคับไม่ได้มีความเข้มแข็งและปัญญาไม่พอยังมีความหวาดหวั่นต่อสิ่งที่ไม่รู้และไม่อาจคาดหมายจึงมีความโน้มเอียงที่จะหวังพึ่งอำนาจเร้นลับภายนอกจะพ้นไปได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ฝ่ายธรร ม, มะจะทำหน้าที่ได้เพียงใด 2. ความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และละทัทธิพราหม์มีอยู่ก่อนพระพุทธศาสนาเข้ามาและอยู่ในสังคมไทยคู่เคียงมากับพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันเป็นความจริงตามสภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3. หลักการของพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับศรัทธาไม่ใช้กำลังหรือวิธีบีบบังคับโดยถือตามหลักธรรมชาติของมนุษย์ว่า ปัญญาเป็นสิ่งยัดเยียดใส่ให้กันไม่ได้จึงต้องยอมรับเขาตามที่เขาเป็นอยู่แล้วเข้าไปช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนด้วยเมตตากรุณาให้เขาพัฒนาขึ้นมาประเด็นที่สนับถืออำนาจโดนบันดาล กับนับถือพุทธศาสนามีสาระสำคัญต่างกันอย่างไรการนับถืออำนาจเร้นลับโดนบรรดา น, นั้นทาให้คนหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่เพียรพยายามทําการด้วยตนเองมุตตะคิดอ้อนวอนเอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรอคอยริษแดดของคนอื่นตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความสามารถหรือคุณธรรมความดี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 ละอีกทีหนึ่งว่าความเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์รัสรู้กลายเป็นพุท ธ, ธะก็คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นั่นเองเมื่อมนุษย์เชื่อในศักยภาพของตนเองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่เป็นมนุษย์นั้นพร้อมกันนั้นก็เกิดความสานึกระหนักในหน้าที่ของเราขึ้นมาว่า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 ชาวพุทธจะต้องมีความเข้มแข็งในการทำความดีสร้างสรรค์และพัฒนาตัวต่อไปเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าทั้งหลายชาวพุทธต้องมั่นในธรรมะคือหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามและความรู้ในธรรมดาของธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย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 ไม่อ้อนวอนหวังผลประโยชน์จากกันต่างคนต่างพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามีกรณีขัดแย้งกันเกิดปัญหาต่อกันต้องเอาธรรมะตัดสินถ้ามนุษย์ถูกธรรมธรรมคือธรรมะนะครับถ้ามนุษย์ถูกธรรมเทพต้องยอมในคำพีพุทธศาสนามีเรื่องราวเล่าไว้มากเพื่อสนับสนุนคตินี้ให้ชาวพุทธเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ในธรรมะ แม้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันปกครองกันเองก็ต้องให้ทุกคนถือธรรมะเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยเวลานี้น่ากลัวว่าคนในสังคมโน้มไปทางที่จะถือเงินอามิตรหรือผลประโยชน์เป็นใหญ่กลายเป็นธนาธิปไตยถ้าเป็นอย่างนั้นประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยู่ได้ด้วยดี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 เธอจะฝึกฝนพัฒนาตนตามธรรมต้องเข้าถึงตัวความจริงในธรรมชาติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอันว่าเราจะต้องปฏิบัติฝึกตนตามธรรมะนั้นธรรมะก็มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นสาระที่พึ่งของเราชีวิตของเราก็กลายเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนา คือเป็นชีวิตแห่งสิกขาเข้าสู่มรรคาแห่งอริยะเพื่อเราจะได้ทำตัวให้เป็นอย่างพระอริยะทั้งหลายที่ท่านได้ฝึกฝนตามอย่างพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์โดยมาร่วมเป็นสงฆ์แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องสร้างสังฆะคือสง์อันนี้ขึ้นมาด้วยโดยการฝึกฝนพัฒนาตนให้เข้าไปร่วมในสังคมแห่งการศึกษาด้วยการเป็นเศคาชน ซึ่งจะพัฒนายิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณ์ในที่สุดจบเสียงอ่านหนังสืออิทธิปฏิหารเทวดาทศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัยธรรมนิพนธ ในสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์ต่ออประยุทิ์โตเสียงอ่าน้วยอริยะคุณพุทธธรรมชมรมผลดีขออนุโมทนาเจ้าภาพรวมทุกท่านอีกดังนี้นัดวิราตาตั้งจิตเจริญพรกัญญนัฐทองบุญนภภาพน์พระวังสวัสดิ์สุภพมาดบุญประเสริฐรอบครัวทองไทยเด็กชายพันธกรบัวประเสริฐ ครอบครัวโทสกุลอังคณามนทาทิบกุลครอบครัวงามสุริยพงชุติมาแสนเท้าครอบครัวชัยรัตนาการโรจนะภูวาเดศและขออนุโมทนาท่านทีนท่ไม่ได้เอ่ยถึงด้วยนะครับเพราะไม่ได้แจ้งนามสกุลไว้ถึงอาจเสียงไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีแต่ก็ขอให้ทุกท่านพึงระลึกว่าได้มีส่วนร่วมโดยตรงเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นแล้วทุกครั้งที่มีคนเปิดฟัง บุญก็เกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งทั้งต่อผู้ฟังเองและผู้ร่วมจัดทาด้วยขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันอันเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยอีกหลายชีวิตให้พ้นทุกตาสว่างพ้นจากมิจฉาทิฏฐิอันนำสู่อบายให้ต้องทุกแสนสาหัสได้อีกยาวนานสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง หน้าที่หลักชาวพุทธมีสามอย่างคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแพ่ธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นพบเดียวที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายและได้ผลเร็วที่สุดนะครับอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปให้เสียเปล่าให้ตายฟรีไปชาติหนึ่งรวมศึกษาธรรมเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นเป็นมหากุศลที่ทาได้ทุกคนได้ทันทีแม้ขณะรู้ลมหายใจนี้ ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลยยิ่งขึ้นไปเกิดสติเกิดปัญญาพ้นทุกภัยเวรทั้งสิ้นในเร็ววันนี้ด้วยเทอ